บทที่79ก้องทัพเปรตอาจารย์เดินหายไปในความมืดทิ้งสิทธิ์ไว้โดดเดียวเดียวได้อยู่ในป่าท่ามกลางเสียงร้องสิงสาราสัตว์ถึงแม้มองไม่เห็นในขณะนี้แต่ก็อาจถูกจูดโจมเข้ามาถึงตัวและทำร้ายจนถึงแก่ความตายได้ภิกษุวัย45ตั้งสติ ก, กำหนดกลัวหนอกลัวหนออยู่นาน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 นั่งไม่ลงเพราะขาแข็งเกรงอยู่อย่างนั้นจึงลองใหม่ด้วยการให้สินบนนี่ข้ามาสร้างบุญนะเอาเถอะข้าสัญญาว่าจะแบ่งบุญให้ข้างละสิบเปอร์เซ็นต์ชรอยขาของท่านคงจะงกบุญหรือไม่ก็คงอยากสร้างบารมีจึงยอมงอได้พับได้เช่นปกติ สมภารวัย45จึงประสบความสำเร็จในการเข้าไปนั่งในกรดอากาศเริ่มเย็นลงเย็นลงกระทั่งภิกษุที่นั่งอยู่ในกรดรู้สึกหนาวและแล้วท่านก็ได้ยินเสียงนกร้องโหยหวนของผู้ที่ดูเหมือนกำลังอยู่ในความทุกข์ทรมานสติบอกเป็นเสียงเปรตมาขอส่วนบุญท่านจึงนั่งหลับตาบริกรรมคถา อิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาเพียงสามจบเสียงร้องหวยหวนก็หายไปแสดงว่าพวกเขาได้รับส่วนบุญกุศลกันทั่วนหน้าสมกับที่บากหน้ามาขอกองทัพเปรตล่าถอยไปแล้วภิกษุวัยส้ายังไม่รู้ว่ากองทัพอะไรจะมาผจญอีกท่านระลึกถึงบทสวด พุทธชัยมงคลคาถาแปดบทซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงะจนกับอุปสรรคนานาประการแต่ก็ทรงได้ชัยชนะทุกครั้งในที่สุดท่านก็ตกลงใจว่าจะต้องสวดบทพาหุงมหากาเพื่อเป็นกำลังใจในอันที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆสวดพาหุงมหากาจบพระครูวัยส5หรู้สึก ว่าความกลัวลดลงไปบ้างมีสติตั้งมั่นมากขึ้นจึงพิจารณาว่าการมาอยู่ป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายเช่นนี้จำเป็นจะต้องสวดมหาราชประริหรือที่รู้จักกันในชื่อสิบสองตำนานเพื่อป้องกันภัยจากผูดผีปีศาจจากเทวดาพานบางพวกและจากสิงสาราสัตว์ต่างๆ ที่จะมาทำร้ายท่านได้แต่คงไม่จำเป็นต้องสวดครบ12ตําตำนานเลือกเฉพาะที่จะเข้ากับสถานการณ์คงพอคิดดังนั้นแล้วท่านจึงเลือกที่จะสวดปริศ6ตตำนานต่อไปอีกหนึ่งกรณียะเมตสูตร หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่ามนขับผีเพื่อผูกมิตรกับพูดผีปีศาจและเทพเทวดาทั้งหลายพวกเขาจะได้ไม่มารบกวนท่านสองขันธท่าปริ์เพื่อป้องกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอมาทำอันตรายเพราะในสมัยพุทธกาลภิกษุทุดงรูปหนึ่งถูกงูกัดจนถึงแก่มรณภาพความทราบถึงพระพุทธเจ้า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 เพราะถ้าหากเกิดไฟป่าขึ้นท่านเห็นจะต้องมอดม้วยมรณาชิวาวายแวบเป็นปลาแปลก ป, ปิ้งอยู่ในป่าแห่งนี้ 4. ทัชักคปริบเพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความกลัวความสะดุง้งความพลั่นใจความขนพองสยองกล้าวทำให้เกิดขวัญและกำลังใจที่จะบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปห โพชฌงค์าปริตเพื่อป้องกันอาพาธเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนและหกอพยพ ป, ปริตซึ่งเป็นบทสวดขจัดลางร้ายสิ่งไม่เป็นมงคลเสียงนกเสียงกาที่ไม่พึงใจบาปปะเคราะห์และฝันร้ายให้พินาศไปด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตกลงปรงใจได้แล้ว สิทธุอาจารย์ทิ้งชั่วคราวก็เริ่มต้นสวดปลิตทั้งหกตำนานตำนานละสามจบใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษจากนั้นจึงทำวัดเย็นและนั่งภาวนาท่านไม่คิดจะเดินจงกรมและคงไม่ปลอดภยัยเนื่องจากจะต้องออกไปนอกกรดอีกประการหนึ่งขาของท่านอาจไม่ให้ความร่วมมือเพราะอยากพักผ่อนมากกว่า ด้วยว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าจากการเดินทางถึงย0สิบกว่าชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักท่านออกเดินทางตอนเที่ยงคืนและมาถึงป่าแห่งนี้เวลาสองทุ่มนับเป็นชั่วโมงได้ยี่สิบพอดิบพอดีขณะที่พระทุดงไบย45ส้ากำลังนั่งภาวนาอยู่ในกรดเสียงสวบสาบก็ดังใกล้เข้ามาตามด้วยเสียงร้องแปรน สติบอกว่าช้างโครงใหญ่กำลังเดินเข้ามาหาท่านเป็นช้างป่าดุร้ายสามารถทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าให้ราบคาบได้ในพริบตาตายจริงเมื่อกี้เราก็ลืมสวดชัดทันทปาริศเพราะไม่คิดว่าจะมาเจอช้างจะทำอย่างไรดีท่านวิตกเพราะเห็นหนอบอกว่าโครงช้างกำลังเดินเข้ามา ท่านคิดถึงหลวงพ่อดำทำอย่างไรจะให้หลวงพ่อดำมาช่วยพลันนึกถึงถ้อยคำที่อาจารย์สั่งไว้ว่าให้นึกถึงสิ่งที่สมเด็จโตสอนคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเรายามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้อาจารย์น่าจะช่วยท่านได้คือหลวงพ่อเดิมผู้ประสิทธิประสาทวิชาคศชศาิตร์ให้กับท่านนันตังหา หลวงพ่อครับช่วยผมด้วยท่านตั้งจิตอลึกถึงหลวงพ่อเดิมบัดโดนเสียงหลวงพ่อเดิมก็มากระซิบข้างหูช้างป่าโรงนี้ดุร้ายมากสวดชัดทันทปปาริษสามจบเร็วเข้ารู้ว่าอาจารย์มาช่วยกำลังใจก็มาเป็นกองท่านจึงสวดชัดทันทปริตสามจบอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงนาทีเพราะ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 แต่ท่านไม่ยอมบอกครับเธอถึงเวลาคุณก็จะรู้เองฉันขอบอกใบ้ไว้ก่อนว่าคนนั้นเป็นลูกศิษย์คุณ น, นั่นแหละใครครับท่านคิดไปถึงนหลอ่อไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเพราะคุณกับเขายังไม่เคยพบกันกลับไปนี่ก็จะได้พบโลงช้างใกล้เข้ามาเกือบจะถึงกรดสมพานวัดป่ามะม่วง จึงถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อครับผมสวดฉัตทันตปริตสามจบแล้วยังหยุดยั้งพวกเขาไม่ได้อีกละครับหยุดยั้งได้แต่ที่เขามาเพราะต้องการให้คุณได้ใช้วิชาคชศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ทบทวนวิชาที่คุณร่ำเรียนมาและนำออกมาใช้ได้เดี๋ยวนี้เสียงหลวงพ่อเดิมสั่งอยู่ข้างหู สมภา์วัดป่ามะม่วงใช้ตาปัญญามองฝ่าความมืดออกไปพบว่าช้างเหล่านั้นเป็นช้างพลายทั้งโขงและที่สำคัญคือพวกเขาเป็นช้างตกน้ามันซึ่งตามตำราวิชาโคจศาสตร์บอกไว้ว่าช้างตกน้ามันขาสติฆ่าคนได้ใครพบเขาต้องตายแน่นอนเว้นแต่มีวิชาโคจศาสตร์มาช่วย ท่านนึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อเดิมที่ขอร้องแถมบังคับให้ท่านเรียนวิชาค ศ, ศาสตร์และเมื่อออกจากทุ่งงก็รู้ว่าหลวงพ่อดำดลใจให้ท่านไปหาหลวงพ่อเดิมครูบาอาจารย์ท่านมักจะมีสายตายาวไกลในอันที่จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่สิทธิ์ถึงนับว่าเป็นโชควาสนาที่ท่านได้พบครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตา เป็นภิกษุรัตัญยูทั้งสององค์เสียงหลงพ่อเดิมกระซิบที่ข้างหูว่ารีบแผ่เมตตาจ่าฝูงเร็วเข้าแผ่ให้ทุกตัวไม่ดีกว่าหรอครับไม่จำเป็นเพราะตัวอื่นๆถึงคุณแผ่ไปให้เขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ยินส่วนจ่าฝูงคือหัวหน้าของช้างเขาได้ยินช้างโขงหนึ่งจะมีหูทิพย์อยู่ตัวเดียว คือตัวที่เป็นจ่าฟูงส่วนตัวอื่นๆไม่มีฉันสอนคุณแล้วเอาวิชาความรู้มาใช้ให้ได้ไหนลองบอกมาซิว่าทำไมหัวหน้าช้างจึงมีหูทิฟเสียงถามอยู่ข้างหูเพราะมีเทวดาประจำช้างคอยปกปักรักษาครับถูกแล้วคือสื่อสารกับช้างช้างไม่รู้เรื่องเพราะเขาเป็นสัตว์เดรัจฉาน จึงต้องเจรจากับเทวดาประจาช้างเวลาช้างจะทำร้ายใครเทวดาประจาช้างจะต้องห้ามการแผ่เมตตาให้จากฝูงก็คือแผ่ให้เทวดาประจาช้างนั่นเองสมภารวัดป่ามาม่วงจึงแผ่เมตตาไปยังหัวหน้าช้างซึ่งเดินนำหน้าเป็นเวลาเดียวกับที่ขโขลงช้างเดินมาประชิดติดกรดของท่านพอดีเทวดาประจาช้าง ซึ่งสิงทถติดอยู่ในจ่าฝูงได้รับกระแสเมตตาจากพระธุดงที่นั่งอยู่ในกรดก็ร้องสั่งบริวารหยุดทันทีดังนั้นแทนที่จะเหยียบย่ำสิ่งที่ขวางหน้าที่นั่งอยู่ในกรดก็ร้องสั่งบริวารให้หยุดทันทีดังนั้นแทนที่จะเหยียบย่ำสิ่งที่ขวางหน้าให้แหลกกลานตามวิสัยของช้างป่าที่กําลังตกมัน ช้างกงงนั้นกลับพากันเดินเลี่ยงกลดพระทดงไปอย่างเป็นระเบียบสมภารวัดป่ามะม่วงจึงรอดชีวิตจากการถูกช้างเหยียบมาได้ด้วยประการชนิดขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อที่กรุณาบอกบทผมกลัวจนทำอะไรไม่ถูก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 ท่านคงจะเห็นว่าหมดภาระหน้าที่ของท่านแล้วกระมังสมผานวัดป่ามะม่วงนั่งภาวนาต่อไปอีกสองชั่วโมงหลังจากนั้นจึงเตรียมจำวัดขณะกำลังเอ็นกายลงก็ได้ยินเสียงร้องเรียกอยู่นอกกรดเป็นเสียงของผู้หญิงลงพี่ขาออกมาหาหนูหน่อยหนูมาขอความช่วยเหลือเสียงนั้นฟังดูเยียบเย็นยังไงพี่กน ภิกษุวัยสีห้าจึงลุกขึ้นไปนั่งและใช้ตาปัญญามองฝ่าความมืดออกไปนอกกรดสตรีสาวสวยนางหนึ่งยืนร้องเรียกท่านอยู่ในความมืดผู้หญิงที่ไหนจะมาเดินอยู่กลางป่าแต่ผู้เดียวในเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนเช่นนี้น่าจะเป็นเสือสมิงเสียมากกว่าท่านนึกไปถึงเรื่องราวที่คนเท่าคนแก่เล่าสืบสืบกันมาว่าบรรดา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 ผู้หญิงที่ตนเห็นว่าเป็นภรรยาก็จะกลายร่างเป็นเสือสมิงกระโจนเข้าใส่และกัดกินเป็นอาหารส่วนคนที่ไม่เชื่อก็จะคว้าปืนเล็งไปที่หน้าผากของหญิงนั้นแล้วลั่นไกลเปรียงออกไปก็ปรากฏว่าเสือสมิงนอนตายอยู่แม่สาวน้อยคนนี้ต้องเป็นเสือสมิงแปลงมาอย่างแน่นอนทำยังไงดีวิปืนเราก็ไม่มีเสด้วย สมภานวัดป่ามะม่วงยังมีแก่ใจสร้างอารมณ์ขันลงพี่ขาออกมาหาหนูหน่อยหนูมาขอความช่วยเหลือสาวน้อยยังคงส่งเสียงเข้ามาบัดดนั้นก็มีเสียงเข้ามาข้างหูว่าไม่ต้องกลัวครัวโตมาช่วยแล้วใช้คาถาเมตตามหานิยมของครัวโตสิรู้ว่าสมเด็จโตมาช่วยท่านจึงรีบ ว่าคถาสมเด็จโตเมตตังคุณนางอารหังเมตตาเมตตาคุณนางอารหังเมตตาบริการรวดเร็วสามจบขณะที่เพ่งจิตไปยังสาวน้อยดังที่ท่านคาดคิดเพราะหญิงสาวที่ยืนอยู่หน้ากรดห่างออกไปประมาณสองวานั้นได้กลายร่างเป็นเสือสมิงตาเขียวดังมอรกฏทรงประกายวาวับอยู่ในความมืด มันหันหลังกลับและเดินจากไปยังไม่สนใจยายดีท่านอีกขอบพระคุณท่านมากขอรับที่ได้เมตตามาช่วยกระผมไม่ทราบว่าต่อไปกระผมจะต้องเผชิญกับอะไรอีกขอรับท่านถามสมเด็จโตไม่มีเสียงใดๆดังที่ข้างหูจึงรู้ว่าสมเด็จท่านไปแล้วกระนั้นก็อดคิดติดตลกไม่ได้ว่า จะประคุณสมเด็จท่านสอนเราไว้ว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราแต่นี่เรายังไม่ทันได้คิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราแล้วมาช่วยเราได้ทันท่วงทีขอพระคุณมากขอรับท่านเอนกายลงนอนยังไม่ทันจะหลับตาก็เห็นเงาดาๆของใครคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเท้าแม้จะยืนอยู่ภายนอก หากตาปัญญาก็มองเห็นชัดเจนบุรุษนั้นร่างกายบึกบึนไม่สวมเสื้อตาทั้งสองข้างส่องแสงสีเขียวเรืองเรืองผิดกับตามนุษย์ทั่วไปท่านหลับตากาหนดรู้หนอสามครั้งด้วยต้องการทราบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วท่านก็รู้ว่าเขามาจากเมืองนรกหนีเยาวมาบานมาพึ่งใบบุญซึ่งเท่ากับพ้นจากการทรมาน ได้ชั่วกราวเพราะในเมืองนรกพวกสัตว์ผู้สร้างบาปกรรมไว้ตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์จะถูกลงโทษทันอย่างแสนสาหัสทุกเวลานาทีเมื่อรู้ว่าผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมอยู่ณที่ใดก็จะหนีมาขอพึ่งใบบุญแม้เพียงสองสามชั่วโมงก็ยังดีเมื่อรู้ว่าบุรุษที่ยืนอยู่ปลายเท้านอกกรดไม่ไดมาร้ายท่านจึงปล่อยให้เขายืนอยู่อย่างนั้น พอรุ่งสางเขาก็จะกลับไปเมืองนรกดังเดิมสมภารวัย45้าตั้งใจจะนอนพักสักสองชั่วโมงวันนี้ท่านต้องเผชิญกับพวกอบายภูมิสี่ซึ่งได้แก่นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายหากคิดว่าได้มาพบในสิ่งที่คนอื่นๆเขาไม่ได้พบนั้นเป็นโชคดีท่านก็โชคดีที่สุด